คือกิจกรรมที่พระองค์แม้เจริญกว่าจระลึกชาติได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้มากันแบบง่ายๆอ่างนั้นเถอะได้มาด้วยอ น, น, นความเพียรเครื่องเผากิเลสปฏิบัติโดยที่เรียกว่าไม่อารยในร่างกายและชีวิตอยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเรานั้นจึงโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติคือการตายและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย น, นะตายแล้วก็เกิดของเรานี่ชอบพูดคาว่าเกิดแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าตายแล้วก็เกิดน้อมจิตไปรู้เพื่อรู้ว่าตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะ เรานั้นย่อมเห็นสัตว์ที่กําลังจุติและกําลังอุบัติแปลว่ากําลังตายและกําลังเกิดทั้งสัตว์ชั้นเลวและกับประณีตสัตว์พวกเลวคือพวกโมหะนําเกิดพวกประณีตคือพวกปัญญานําเกิดผิวพันธ์ดีก็อะโทสะคือเมตตานําเกิดผิวพันธ์สามก็โทสะนําเกิดได้ดีเพราะอโลพานาเกิดตกยากเพราะโลพะนําเกิดเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่ากุศลโมลหรืออกุศลโมลเป็นบาตรเป็นฐานเป็น อุปนิสัยสําคัญนําเกิดด้วยทิพยจักรสุอันบริสุทธิ์เนีน่ยนะเห็นเลยว่าคนที่ตายแล้วเกิดตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปอย่างไรเลวหรือประนีตเป็นสัตว์ชั้นเลวหรือสัตว์ชั้นดีผิวนี่เป็นยังไงผิวเราเห็นครั้งเดียวก็พอแล้วเช่นเห็นครงคกเนี่ยนะอยากเห็นบ่อยๆไหมเลี้ยงครังคกไว้ดูสักอย่างเช่นที่ห้องนอนเลยนะยากกับงั้นก็ดูครั้งเดียวบางทีก็พอแล้วว่า ง, งั้นผิวพันซามหรือว่าผิวพันดีได้ดีหรือว่าตกยาก ด้วยตาทิพย์ล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมไอ้ที่มาเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะกรร ม, มสโกมหิกรร ม, มาทายาโทกรร ม, มโยนิกรร ม, มพันธุกรร ม, มปฏิสารโนนะกรรมนั้นมันเป็นตัวจําแนกให้นําเกิดก็เห็นเลยว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนมธาเรียเจา้าเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นตรงกันข้ามกับพธาเรียเจ้าเนี่ยนะ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวิิบาตินรกเนี่ยนะในก็เพราะนารกเปรตอสุรกายเดรัจฉ์ก็เพราะความชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาความคิดชั่วด้วยใจนี่แหละอนติเตียนผ้าเรียเจ้าด้วยเป็นมิจฉาทิฐีด้วยอย่า ง, ง, งนี้ตกนรกง่าย่เลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเขาเอาขยะไปทิ้งฉะนั้นเนี่ยนะ ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายาสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนผ่าเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังตายกําลังเกิดเป็นสัตว์ชั้นเลวอย่างเลวหรืออย่างประนีตเป็นสัตว์ที่มีผิวพันธุ์ดีหรือมีผิวพันธุ์สามพวกได้ดีหรือพวก ตกยากด้วยทิพจจกสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้ดูความพ่สูจนทั้งหลายวิชาที่สองนี่แลที่เราบรรลุแล้วในมัชชิมยามแห่งราตรีก็ระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสองพิจารณาหมู่ตรงนี้เนี่ยพิจารณาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันกรรมในอดีตที่ส่งให้ผลใน ปัจจุบันและกรรมในอดีตที่จะให้ผลต่อต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันที่ทำในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันหรือให้ผลต่อไปในอนาคตได้อย่างไรแล้วก็ตายจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งได้อย่างไรกรรมเหล่าใดนำเกิดที่ไหนและอย่างไรนะเนี่ย น, นะพระพิจารณาเนี่ยนะกำจัดอาวิชาที่ปกปิดอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลแค่ว่า ไม่สงสัยในขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่สงสัยในขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่สงสัยทั้งอดีตและอนาคตมองเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมมองเห็นปัจจัยเนี่ยนะปัจจยธรรมและปัจจยยุบันรธรรมเนี่ยเหตุและผลเป็นไปอย่างดีมันกึ่งกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้วิชาก็บังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้ว ความสว่างจึงบังเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้จึงน้อมจิตไปเพื่ออาสวะคยายานเนี่ยนะย่อมน้อมจิตไปเพื่อความสิ้นอาสวะย่อมรู้ชัด ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างในวันนี้ทุกเน่ยนะรู้เลยว่านี้ทุกมาวันนี้ทุกเนี่ยไม่ใช่นี้ทุกโอ้เจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่นี้ทุกก็แปลวันนี้ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะเราเห็นชัดได้ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกอายตนะเป็นตัวทุกขันธาตุอายตนะเป็นตัวทุกนี้สมุทัยเนี่ยนะคือตัณหาที่ฉาบทานรูปไห้ในขันธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ ทุกเนี่ยนะตัณหานี่แหละเป็นตัวที่นําไปสู่ภพใหม่นําไปสู่การเกิดอีกก็เลยบอกว่านี้ทุกขานิโรธก็คือเห็นเรวิวัตตะรมเป็นที่ดับทุกข์และดับเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมที่สลัดออกจากวัตตทุกข์และเห็นว่านี้เป็นทุกขานิโรธคามไมนีปฏิปทาเห็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะระดับโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคที่ตรัสรู้อริยสัตว์เหล่านี้ ก็เห็นแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะรู้ชัดว่านี้อาสวะเนี่ยนะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรทคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดอาสวะคือวิชาเป็นอย่างไรความดับอาส ว, สวะทั้งหลายเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้ดับอาสวะทั้งสิ้นนั้นเป็นอย่างไร <alright. S 1> เมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะ เรียกว่ารู้เห็นอริยสัจแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะด้วยอำนาจอรหัตตมรรคอย่างนี้ก็หลุดพ้นจากกามาสะวะกามาสะวะเนี่ยหลุดพ้นด้วยอนาคามีมรรคภวาสะวะอวิชชาสะวะหลุดพ้นด้วยอรอหัตตมรรคเมื่อจิตหลุดพ้นคืออรหัตตผลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเมื่ออารหัตตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีปัจจเวกขณะยานยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นแล้วเนี่ยรู้ชัดด้วยปัจจเวกขณะยานว่าปฏิสนธิในภพใหม่สิ้นแล้ว อริยมรรคกับพรหมจันทร์เนี่ยนะพรหมจันทร์คือการอยู่ประพฤติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ระดับโสดาปติมรรคสกทาคามิรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนั้นก็อยู่จบเสร็จสิ้นแล้วกิจที่ควรทำเนี่ยนะกิจคือกิจทุกควรกำหนดรอบรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำไม่แจ้งอริยมรรคควรเจริญนั้นก็ทำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะด้วยปริวัตรสอาการ12บสองยนะ อีกอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีข้อปฏิบัติเราใดเพื่อที่จะทําให้เป็นพาาาระอรหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นไม่มีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิชาที่สามนี้แหละเราบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีนะก็เรียกว่าก่อนรุ่งอรุณเนี่ยนะเรากําจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาบังเกิดขึ้นกําจัดความมืดเสียแล้วความสว่างก็บังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตน้อมจิตในการเจริญคุณธรรมเหล่านี้จนได้ตรัสรู้เนี่ยนะพราะฉะนั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็กล่าวถึงว่าข้อปฏิบัติโดยยกสัมมาสังกัปปะยกการละมิจฉาสังกัปปะยกการเจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเป็นประทัดฐานแล้วก็เกิดการจําแนกแยกแยะทั้งมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะ เป็นอย่างไรจนกุศลแธรรมเหล่านี้เจริญ ง, งอกงามภัยบูนบริบูรณยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจนใกล้ปฐมฌาน ท, ทาานตตาานุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานได้รูปประฌานและอรูปประฌานจนจิตที่ประกอบไปด้วยองค์แปดน้อมไปเพื่อระลึกชาติพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสั ต, ตายแล้วก็แทงตลอดอริยสัตว์พิจารณาอริยสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บัตรนี้พอตรัสรู้อย่างนี้ก็เป็นพระสัพพัญญูชินเจ้า นะมีองค์ประกอบว่าอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวานุตโรปุริสธรรมสารติสาาัทถาเทวมนุษยานังพุโทโธพขวาติเนี่ยนะก็เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อไปเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะอาศัยที่ว่าพระองค์นั้นมีกรุณากรุณานี่แหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนเนี่ยนะเป็นตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์นั้นนะได้แสดงธรรมเนี่ยนะ พราถ้าไม่มีกรุณาแล้วพระพุทธเจ้าก็คงไม่แสดงธรรมเนี่ยนะเพราะงในการต่อไปบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิธีสอนคือหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นศาสดะ ก, กับมารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรทีนี้ก็ยกทางเดินของมารขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายมีหมู่เนื้อเป็นจํานวนมากเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ในดงใหญ่ในเบิงใหญ่เนี่ยนะเนระียกว่าหมูเนื้อ หมูเนื้อพวกควางละมั่งพวกฝานเนื้อฝานเป็นต้นเนี่ยที่ไปอยู่ในป่าใหญ่อะนะอยู่ในดงใหญ่หมู่มากเลยแหละยังมีบุรุษคนหนึ่งเป็นนายพรานที่ปรารถนาความพินาศประสงค์ความไม่เกื้อกูลใครแต่ความไม่ปลอดภัยแปลว่าต้องการให้ภัยพิษภัยทุกโทษแก่หมู่เนื้อเหล่านั้น อย่าลืมว่านายพรานไม่เคยเป็นอุปการะแต่หมู่เนื้อเลยมีแต่มุ่งทำลายมีแต่มุ่งประทุสร้ายเอาเคนทั้งข้าเอามาต้มมายำเป็นต้นน่นะนายพรานผู้นั้นเขาก็ปิดทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่สะดวกเป็นทางที่เนื้อไปได้ตามชอบใจนั้นเสียเสร็จ แ, แล้วก็เปิดทางแห่งเขาเรียกว่าเปิดทางมัจจุราชเอาไว้ฉันแรกเขาเร้ยว่าเปิดปิดทางปลอดภัยใช่ทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อสุขเกษมปลอดภัยปิดทางนั้น เสร็จแล้วก็เปิดไว้แต่ทางนารกวังงั้นเหรเหมือนกับว่างั้นเปิดไว้แต่ทางเรียกว่าทางทางทางประหารเสร็จแล้วพอเขาปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจของหมูเนื้อเขาเปิดทางที่ไม่สะดวกเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็วางเนื้อต่อตัวผู้เอาไว้เนี่ยนะเรียกว่าเนื้อล่อวางเนื้อล่อตัวผู้แล้วก็วางนางเนื้อล่อหรือเนื้อต่อตัวเมียอีกไว้ตัวหนึ่งเรียกว่าวางวางเนื้ออ่ะนะเรียกว่า คือพวกที่จับนกเขาได้เพราะมันไม่ต้องมีนกต่อคนที่จะจับเนื้อมันต้องมีเนื้อต่อเรากเอาเนื้อไปต่อเนื้อนะเอาเนื้อไปต่อเนื้อหมายความว่าเอาเนื้อไปล่อเนื้อมาเรากาวางเนื้อต่อตัวผู้กับตัวเมียเอาไว้พิสูุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมามูเนื้อเป็นอันมากก็พากันตายเสีย จนเบาบางว่าไง น, นนะก็เรียกว่าตายกันเป็นฝุงฝตายกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแผนร้ายของนายพรานผู้ชั่วช้าเนี่ยนะแผนร้ายของนายพรานก็ทําให้สําเร็จมูเนื้อตายหาประมาณไม่ได้ในอัตกะทาจึงอธิบายว่านายพรานเนื้อเข้าไปสู่ปากคือสถานที่เป็นที่อาศัยอยู่ของเนื้อทั้งหลายเขอคอยสังเกตว่า ฝูงเนื้ออยู่ในที่นี้ออกไปทางนี้เที่ยวไปในทางนั้นดื่มในที่นั้นเข้าไปทางนี้เนี่ยนะคือคือเพชรฆาตระดับสูงหรือว่านายพรานระดับเรียกว่าพรานระดับเซียนเนี่ยนะเขาไม่ถึงเห็นปั๊บข้าเปี้ยงเลยเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะศึกษาล่อว่าเนื้อทั้งฝูงเนี่ยมีกี่ตัว มันนอนที่ไหนมันตื่นที่ไหนมันกินอะไรแล้วมันไปอะไรมีเนื้อตัวไหนเป็นโาจอาฟูงอะไรเขาสํารวจหาข้อมูลจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วก็วางและเริ่มวางแผนปิดทางเปิดทางบอกทางมีตัวไหนเป็นตัวล่อกระว่าเขาค่อยวางแผนเป็นไปตามลําดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพอเที่ยวก็สํารวจแล้ว ว, ลว่าดื่มตรงนี้เข้าไปทางนี้ ia, นเสร็จแล้วก็ปิดทางปิดทางดีเปิดทางร้ายเอาไว้ตั้งเนื้อ เนื้อต่อเนี่ยเนื้อล่อทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยแล้วก็ยืนถือหอกเนี่ยซ่อนอยู่ลําดับนั้นเวลาเย็นเนื้อทั้งหลายก็เที่ยวไปในป่าที่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําเล่นกับลูกเนื้อทั้งหลายนะก็หยอกเย้ากันไปตามภาษาหมูนกเนื้อเนี่ยนะอยู่ในทิณซึ่งเป็นที่อยู่เห็นเนื้อตัวผู้และตัวเมียที่ล่อเอาไว้ก็ดีใจนะพอพอมองเห็นเนื้อเขาว่าพอเนื้อทั้งหลายพอไปเห็นเนื้อต่อเนื้อล่อเนี่ยเขาก็ นึกว่าสหายของพวกเราจกมากันแล้วสงสัยพวกเราแล้วแต่ว่าหลงกันไปนานะนะกลับมาเจอกันอีกแล้วก็ไม่สงสยัยไม่ระแวงทั้งนั้นแหละเข้าไปหาเพื่อเจอเพื่อนเก่เาว่าเจอเนื้อด้วยกันเนี่ยนะเนื้อเหล่านั้นเห็นทางที่ปิดแล้วก็คิดวันนี้ไม่ใช่ทางนี้เป็นทางนะไปเห็นทางทางที่ดีทางปลอดภัยนึกว่าเป็นทางเลวร้าย น, นะก็ดําเนินไปในทางร้ายไม่สนใจและทางปลอดภัยนายพรานเนื้อเนี่นยนะ เขาก็ใจเย็นไว้ก่อนเนี่ยนะไม่ทําอะไรก่อนอนะ่ะครั้นเมื่อเนื้อเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตีเนื้อตัวสุดท้ายเนื้อตัวสุดท้ายก็ตกใจจากนั้นก็ทั้งหมดก็แตกตื่นวิ่งไปสู่ไม้เขาไปเข้าค อ, อกเลยแบบนั้นแต่ไปเข้าค อ, อกอะไรเข้าค อ, อกที่ในพรานเนี่ยตั้งเอาไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเสร็จแล้วก็มองดูหน้าว่าภัยเกิดขึ้นแล้วทางที่ที่ปิดกั้นอ่ะนะ ด้วยภูเขาด้วยน้ําด้วยป่าด้วยภูเขาก็ไม่อาจจะไปสู่ในที่รกเหมือนกับนิ้วมือเสร็จแล้วก็วกปลารบทางที่เข้ามานายพรานรู้ว่าฝูงเนื้อมาแล้วก็ฆ่าสาสิบตัวบ้างสี่สิบตัวบ้างแค่ว่าหมดฝูงเลยว่างั้นเลยล่อกันหมดฝูงเลยฆ่ากันหมดฝูงอะไรเรียกว่าแผนร้ายของนายพรานฉันใดนนตรงกันข้ามตรงกันข้ามละ่ะมีบุรุษคนหนึ่ง ดูความพิสูจนทั้งหลายยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาประโยชน์ความคร่ความเกื้อกูลคร่ความปลอดภยัยแก่หมูเนื้อเป็นอันมากต้องการจะช่วยเหลือเนื้อทุกตัวให้ปลอดภัยได้อย่างไรอันนะเป็นคนใจดีมากเป็นคนหวังดีปรารถนาดีปรารถนาความสุขความกเกษมความปลอดภยัยแก่พวกหมูเนื้อทั้งหลายเขาก็เปิดทางที่ปลอดภยัยทางสะดวกทางที่ไปได้ตามใจชอบ ให้แก่พวกหมู่เนื้อทั้งหลายเหล่านั้นปิดทางที่ไม่สะดวกเสียทางไหนที่มันเลวร้ายปี ป, ปิดปิดให้หมดกำจัดเนื้อต่อเลิกนางเนื้อต่อคือเรียกว่าทําไอ้พวกเนื้อต่อเนื้อล่อทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อเข้นฆ่ากันเนี่ยคือเรียกว่าเพิกพิงซะ